พุทธคุณประการที่สองสัมมาสัมพุทธโธในตอนที่แล้วข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ว่าคนที่จะซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยจะต้องเป็นคนที่รู้แจ้งในเรื่องอริยสัจพอสมควรและคำว่ารู้แจ้งอริยสัจนี้ก็มีความหมายลึกซึ้งมากคนส่วนมากจำได้แต่เพียงว่ารู้แจ้งอริยสัจ คือรู้อย่างไรแต่ใจจริงเข้าไม่ถึงเพราะโดยธรรมดาคนที่จะซึ้งในเรื่องอริยสัจจะต้องเป็นคนที่มีตัณหาอุปาทานเบาบางพอสมควรอย่างน้อยจะต้องเบาบางขณะที่สามารถเข้าสมาธิทําใจให้สงบมีสติอยู่กับตัวทุกขณะจิตได้และพร้อมกันนั้นจะต้องมีความแจ่มใสมีความเบิกบานมาจากภายในซึ่งเกิดจากตัณหาอุปาทานสงบ คนที่ไม่เคยเข้าสมาธิถึงขั้นนี้ได้เลยความซึ้งในอริยสัจยอมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะการที่จะรู้ว่าตัณหาคือต้นเหตุแห่งความทุกข์การดับตัณหาเสียได้คือความพ้นทุกข์นั้นจะต้องเป็นคนที่เข้าถึงภาวะของจิตที่สงบจากตัณหาถ้ายังเข้าไม่ถึงภาวะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะรู้สึกขึ้นมาว่าตัณหาคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ การดับตัญหาเสียได้คือความพ้นทุกข์เพราะไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบมันเหมือนกับคนที่อยู่แต่ในอากาศที่ร้อนจนเคยชินจนกระทั่งรู้สึกว่าทนได้เขาก็จะนึกว่าอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วและอีกประการหนึ่งเขาไม่เคยรู้ว่าจะมีอากาศที่ไหนที่เย็นกว่านี้เพราะว่าในถิ่นที่เขาอยู่นั้นสมมุติว่าอากาศมันร้อนเช่นนั้นเสมอตลอดปี และทุกๆปีก็เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเมื่อใดเขาได้รับอากาศที่มีความร้อนน้อยกว่านั้นแล้วรู้สึกเย็ยนสบายดีกว่าเขาก็จะรู้สึกได้ทันทีว่าอากาศที่เขาเคยอยู่มาก่อนมันร้อนอย่างไรเพราะฉะนั้นจะต้องจำไว้ให้แม่นทีเดียวว่าคนที่จะซึ้งในเรื่องอริยสัจนั้นจะต้องเคยมีจิตสงบแจ่มใสซึ่งเกิดจากตัณหาสงบมาบ้างแล้ว แต่โดยธรรมดาจิตของปุถุชนไม่มีแม้แต่ขณะจิตเดียวที่จะสงบได้จริงๆนอกจากในเวลาเข้าสมาธิเท่านั้นด้วยเหตุนี้คนที่จะรู้แจ้งอริยสัจจึงจำเป็นที่จะต้องสามารถเข้าสมาธิได้ดีพอสมควรการทำใจให้สงบจากตัณหาได้อย่างเด็ดขาดถึงแม้จะเป็นชั่วคราวคือเฉพาะเวลาอยู่ในสมาธิก็ตามแต่ตลอดเวลาที่ตัณหาสงบนั้น ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแจ่มแจ้งชัดเจนดีขึ้นโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งจะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่าชีวิตนี้เป็นผลที่เกิดมาจากวิบากถ้าเราสะสมวิบากมาไว้อย่างไรเราก็จะได้รับผลอย่างนั้นไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เช่นถ้าความทุกข์ทางใจยังเกิดขึ้นได้อยู่วิบากของมันก็ต้องมีและเมื่อวิบากของมันมี ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความทุกข์ความทุกข์ก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งตรงกันข้ามกับบุคคลที่เอาชนะความทุกข์ทางใจได้แล้วก็เป็นอันว่าจะต้องพ้นจากความทุกข์ที่เนื่องมาจากเหตุการณ์นั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นแต่แล้วก็ไม่เกิดความทุกข์ก็แปลว่าเขาชนะความทุกข์ได้มากแล้ว ซึ่งความชนะที่ว่านี้จะยั่งยืนตลอดไปทุกๆุกชาติอันหนึง่งคนที่จะเห็นความจริงในเรื่องของความทุกข์ดังที่กล่าวมาโดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวกับการต้องเรียนมากหรือต้องฟังมากแต่เกี่ยวกับพื้นจิตใจมากกว่าเพราะบางคนฟังเพียงครั้งเดียวก็สามารถที่จะรู้แจ้งในเรื่องของความทุกข์ก็มี คนส่วนมากไม่อาจที่จะเข้าใจได้ว่าต้นเหตุแห่งความทุกข์ทุกทุกอย่างมีอยู่ในใจของเราเองซึ่งถ้าเราแก้ไขจิตใจของเราให้ดีจนได้มาตรฐานแล้วเหตุการณ์ภายนอกจะทำให้เกิดความทุกข์ไม่ได้พระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธะซึ่งแปลว่าเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ คำว่าตรัสรู้ในที่นี้แปลว่ารู้อย่างแจ่มแจ้งตรัสในที่นี้แปลว่าแจ่มแจ้งฉะนั้นคำว่าตรัสรู้จึงแปลว่ารู้อย่างแจ่มแจ้งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบคำว่าเองในที่นี้หมายความว่าด้วยตนเองคำว่าโดยชอบหมายความว่า ถูกต้องตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้อะไรก็รู้อย่างแจ่มแจ้งและเป็นการรู้ด้วยตนเองหรือจากตัวเองไม่ได้รู้หรือเข้าใจตามคนอื่นและสิ่งใดที่จะสามารถรู้แจ้งด้วยตนเองก็หมายความว่าสิ่งนั้นจะต้องมีประสบการณ์ผ่านตัวเองและสามารถทดสอบหรือพิสูจน์ได้ด้วยตนเองอะไรที่ไม่สามารถจะพิสูจน์ด้วยตนเองได้ สิ่งนั้นก็ไม่มีทางที่จะรู้แจ้งด้วยตนเองจนกระทั่งหมดข้อสงสัยทุกอย่างบางคนอาจจะสงสัยว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งเรื่องต่างๆด้วยตนเองได้อย่างไรเพราะโดยธรรมดาคนเราจะต้องเรียนรู้จากคนอื่นบ้างและต้องเชื่อตามคนอื่นบ้างเนื่องจากในโลกนี้มีสิ่งที่จะต้องเรียนรู้อีกมากมายลาพังตัวคนเดียวไม่อาจจะเรียนรู้อะไรได้ทุกอย่าง เพราะนอกจากเวลาไม่พอแล้วสมองของคนเราก็จำกัดถ้าขืนเรียนมากจนเกินไปสมองก็จะเลอะเลือนใช้การไม่ได้แต่เหตุฉไฉนพระพุทธเจ้าซึ่งตามหลักก็กล่าวว่าเป็นสัพพันญูคือรู้แจ้งทุกอย่างเป็นการรู้แจ้งโดยตนเองฉะนั้นจึงน่าสงสัยว่าพระพุทธเจ้าจะทรงรู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดได้อย่างไร และยังบอกอีกว่าพระองค์ทรงรู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงอีกด้วยฉะนั้นจึงน่าสงสัยว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เป็นการผิดวิสัยธรรมดาข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วว่าวิญญาณของคนเราคือตาราเล่มใหญ่ที่สามารถจะให้ความรู้ได้ทุกอย่างมายเหตุผู้อ่าน วิญญาณในที่นี้คือผวังขจิตหรือผวังคขวิญญาณหรือคือจิตไร้สานึกนั่นเองวิญญาณของคนเราคือตําราเล่มใหญ่ที่สามารถจะให้ความรู้ได้ทุกอย่างแต่คนส่วนมากไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้เราตัวอย่างเท่าที่รู้มานั้นคนเราจะรู้อะไรต้องอาศัยการฟังอาศัยการสังเกตอาศัยการฝึกฝนซึ่งต้องผ่านทางประสาทสัมผัสทั้งสิ้น สิ่งไหนที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนก็ไม่อาจจะรู้ได้คนทั่วไปมีความเคยชินกับความคิดแบบนี้ทั้งนั้นฉนั้นจึงไม่มีใครยอมเชื่อว่าพระพุทธเจ้าสามารถที่จะทรงทราบอะไรได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องเคยเห็นมาก่อนหรือเคยได้ยินมาก่อนก็ได้ข้าพเจ้าขอให้ท่านสนใจกับคาว่าวิญญาณของคนเรา คือตำราเล่มใหญ่ที่สามารถจะให้ความรู้แก่คนเราได้ทุกอย่างอันนี้ถ้าท่านไม่เชื่อก็ขอให้ท่านพิจารณาดูว่าร่างกายเกิดขึ้นมาจากอะไรถ้าท่านเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติเกิดมาจากพ่อแม่ถ้าเข้าใจเพียงแค่นี้ก็เลิกพูดกันได้เพราะถึงแม้ข้าพเจ้าจะอธิบายอย่างไรก็ไม่มีทางเข้าใจได้แต่ถ้าท่านรู้แจ้งว่า วิญญาณเป็นผู้สร้างร่างกายขึ้นมาถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นการยากที่จะชี้ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงสามารถที่จะทราบอะไรทุกอย่างได้จากใจของพระองค์เองอันที่จริงคนที่สามารถจะรู้อะไรได้จากใจของตัวเองนั้นอย่าลืมว่าจะต้องเป็นคนที่เคยเรียนเคยรู้เรื่องต่างๆโดยอาศัยประสาทสัมผัสมามากพอสมควร แท้ยิ่งเรียนรู้วิชาการต่างๆมามากเพียงไรก็จะเป็นประโยชน์ในอันที่จะหาความรู้จากภายในได้มากเพียงนั้นความรู้ที่เราได้มาจากตำราหรือจากครูอาจารย์อันนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะความรู้อันนี้เป็นสื่อในการแปลสำหรับถ่ายทอดความรู้จากภายในออกมาซึ่งถ้าคนไหนมีสื่อมากก็ถ่ายทอดออกมาได้มากถ้ามีสื่อน้อยก็ถ่ายทอดออกมาได้น้อย หนึงนอกจากจะมีสื่อในการแปลยอย่างเพียงพอแล้วจะต้องเป็นคนที่มีสมาธิได้มาตรฐานอีกด้วยสมาธินี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีสมาธิดีที่สุดพระพุทธเจ้าไม่ใช่ได้เพียงแค่สมาบัติทั้ง8เท่านั้นฤาษีในสมัยนั้นแม้จะเก่งในเรื่องสมาธิสักเพียงไรก็เข้าสมาธิได้อย่างสูง เพียงแค่สมาบัติขั้นที่8คือเนวาสัญญาณสัญญายตนาชานเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้ายัางทรงสามารถเข้าสมาธิได้สูงยิ่งกว่าใครๆทั้งหมดในสมัยนั้นคือพระพุทธเจ้าทรงสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้สมาบัติอันนี้สูงที่สุดพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่ทรงเข้าสมาธิขั้นนี้ได้นิโรธสมาบัติเป็นสมาบัติที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ ผู้ที่เข้าถึงสมาบัติอันนี้ใจจะว่างและเป็นอิสระอย่างยิ่งคือใจจะว่างและเป็นอิสระจากเครื่องผูกพันทุกอย่างทั้งภายในและภายนอกภายในหมายถึงในสันดานก็ไม่มีตัณหาอุปาทานเกี่ยวกะอยู่ในสิ่งใดๆความกดดันไม่มีแม้แต่เพียงเล็กน้อยภายนอกหมายความว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่สามารถครอบงาจิตใจของพระองค์ได้ ผู้ที่สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้อภิญญาทุกอย่างย่อมอยู่ในกรรมมือกล่าวคือสามารถแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ได้เช่นสามารถสร้างกายทิพย์ขึ้นมาได้แล้วไปที่ไหนไหนก็ได้ด้วยกายทิพย์นั้นซึ่งไปได้อย่างรวดเร็วและไม่มีอันตรายใดๆนอกจากนี้ยังมีตาทิพย์หูทิพย์อ่านใจคนอื่นได้ระลึกชาติได้และมียานพิเศษซึ่งสามารถทาให้กิเลสในสันดาน ดับหมดไม่มีเหลือฉะนั้นสำหรับคนที่ทำได้อย่างนี้จึงไม่มีปัญหาอะไรเลยเมื่อต้องการจะรู้อะไรเพียงแต่เข้าสมาธิไปให้ถึงจุดของมันก็สามารถที่จะรู้อะไรได้ทุกอย่างตอบปัญหาได้ทุกอย่างและตอบได้อย่างว่องไวด้วยสำหรับผู้ที่เข้าถึงภาวะอันนี้จะไม่มีใครสงสัยเลยว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ซึ่งหมายความว่าเมื่อรู้อะไรก็รู้อย่างแจ่มแจ้งและเป็นการรู้ด้วยตัวเองเป็นการรู้จากตัวเองแล้วรู้อย่างถูกต้องอีกด้วย